นะโมตัสสะปะกวโาโตระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวโาโตระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวโาโตระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะข อ, อ น, นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำบุท ธ, ธะมัชฌิมนิกายกีตาคิริสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีตาคิรินิคมพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสามมัชฌิมานิกายข้อที่สองร้อยยี่สิบสอง คุณค่าของการจันอาหารน้อยมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสดจจาริกไปในแควนกาสีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ณนที่นั้นแลได้รับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ฉันโพชนะในเวลาราตรีเลย เราเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีอยู่ก็รู้สึกว่าสุขภาพมีอาภาษณน้อยมีความกระปรี้กระเป่า ม, า, ามีพรานมมยสมบูรณ์อยู่สำรานมาเถิดพิกสุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยเมื่อเธอทั้งหลายไม่ฉันโภชนะ ในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพยาดน้อยมีความกระ ป, ปรี้กระเป่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สุขสำราญเมื่อพิสุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตํารัดัแล้วก็เสด็จจารีกไปในแคว้นกาสีโดยลำดับจนถึงนิคมของชาวกาสี ที่ชื่อว่ากีตาคิริได้ยินว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมนี้นั่นเองก็สมัยนั้นพระภิกษุชื่ออาสชิและภิกษุชื่อปุณพัสสุกะเป็นผู้อยู่ประจำคือเป็นเจ้าอาวาสในนิคมชื่อกีตาคิริ ในครั้งนั้นภิกษุจานวนมากเข้าไปหาภิกษุอัสสชิและภิกษุปุณณพัสสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับเขาว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีก็จะรู้สึกว่า สุขภาพมีโรคาพยาดน้อยมีความกระปรี้กระเป่ามีพลนานามัยสมบูรณ์อยู่เป็นสุขสำรญาญเมื่อเถิดแม้ท่านทั้งสองก็จงอย่าฉันในเวลาราตรีเลยท่านทั้งสองเมื่อไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพยาดน้อยมีความกระปรี้กระเป่า มีพรานไมสมบูรณ์อยู่อย่างสุขสำราญเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งสองคืออาสชิและปุณณภั ส, สกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งสองนี้ฉันโภชนะทั้งเวลาเย็ น, เ ว, เ, นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันเราทั้งหลายนั้น เมื่อฉันโผลชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพยาดน้อยมีความกระปรี้กระเปา่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่อย่างสุขสมานเราทั้งสองนี้จะละคุณที่ตนหินเองแล้วไล่าตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งสองจะฉัน ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันหด่งนี้ในที่นั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถให้ภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณภัสสุกยินยอมได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ในที่ควรข้างหนึ่ง ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เชิญพวกข้าพระงทั้งหลายก็ไปหาภิกษุชื่ออัสสชีและภิกษุชื่อปุญนภัสสุกะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับเขาว่าภิกษุสงฆ์และพระผู้มีพระภาคไม่ฉันโภชนะในเวลาราตรีและชักชวนเขาทั้งสองในการไม่ฉันอาหาร ในเวลาราตรีเมื่อพวกข้าพระองค์กล่าวอยู่อย่างนี้ภิกษุชื่ออาสชิและภิกษุชื่อปุณพัสุกะได้กล่าวว่าตนเป็นผู้ฉันอาหารทั้งในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันก็เมื่อทำอยู่อย่างนั้นก็เห็นว่าเป็นผู้มีโรคน้อยมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สุขสาราญ ทำไมจะละคุณที่ตนเห็นแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตอยู่ทำไมและยืนยันว่าทั้งสองนั้นจะฉันอาหารในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะให้ภิกษุชื่ออสชิและภิกษุชื่อปุญณพัสสกายินยอมได้ จึงมากราบทูลเนื้อความนี้แก่พระผู้มีพระภาคประเจ้าข้าในลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ให้เรียกภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุบุญพัสุกะมาแล้วได้ตรัสถามเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าภิกษุเป็นนั้นมากเข้าไปหาเธอทั้งสองแล้วกล่าวถึงคุณ ของการไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีและชักชวนเธอทั้งสองในการไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีด้วยเหมือนกันเลยได้ยินว่าเมื่อภิกษุั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วเธอทั้งสองได้กล่าวว่าตนเป็นผู้ชันอาหารทั้งในเวลายเย็นเวลาเช้าและในเวลาวิการกลางวันเมื่อทำอยู่อย่างนั้น ก็รู้สึกว่าตนมีโรคน้อยมีความกระปี้กระปรา่ามีพลันนาหมยสมบูรณ์ทำไมจะต้องละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่บรรนาาคตและยังยืนยันที่จะฉันอาหารในเวลาเย็นเวลาเช้าและในเวลาวิการกลางวันข้อนี้เป็นอย่างนั้นจริงหรือข้ะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าค่าพระผู้มีพระปาดได้ตรัสถามภิกษุชื่ออาสชิ และภิกษุชื่อปุณภพัสุกะต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้ว่าบุคคลนี้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาก็ตามอากุศลธรรมของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญ เธอทราบทำเหล่านี้แล้วหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งสองยังไม่ทราบพระช ค, ค้าพิกษุตตังหลายเธอพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อากุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรม ย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อากุศลธรรมย่อมเสื่อมคุศลธรรมย่อมเจริญหรือเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยทุกเวทนาเห็นปานนี้อยู่อาคุศสลธรรมย่อมเจริญกุศสลธรรมย่อมเสื่อม แต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อากูโสรธรรมย่อมเสื่อมกุโสรธรรมย่อมเจริญก็เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอะทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกูโสรธรรมย่อมเจริญกุโสธรรมย่อมเสื่อม แต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอาทุกขมสุ ข, ขเวทนาเห็นปา น, นี้อยู่อากุโรธรรมย่อมเสื่อมกุโสธรรมย่อมเจริญเธอเคยได้ยินทำเหล่านี้หรือหนขอขก็แต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพวกข้าพระองค์เคยได้ยินพระชุก ข, ขดีละวิสุทธังหลายข้อนี้ ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สเสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราเมื่อไมอ่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นบานนี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นจะไม่เป็นการสมควรพระเจ้าพ้าริศรหลายข้อนี้เพราะว่าเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ สวยสุขเวทนาบางประเภทอยู่อักุสลรธรรมย่อมเจริญกุสลรธรรมย่อมเสื่อมไปเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนีเถิดขอ้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ สเสวยสุขเวทนาในลักษณะนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึ่งกล่าวว่าเธอจงเข้าถึงสุขเวทนาประเภทนี้อยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าที่สุดท้ายแต่เพราะข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้ว ทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สเสวยสุขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาประเภทนี้อยู่เถิดพิสุตตงหลายในข้อนี้ ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลรธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราเมื่อถ้าไม่รู้อย่างนี้จะพึ่งกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนา ประเภทนี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่สมควรพระเจ้าค่าพิ่สุทลายแต่เพราะข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยทุกวิธนาประเภทนี้อยู่อักกุศลธรรมย่อมเจริญ กุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราจึงกล่าวว่าเธอจงละทุกขเวทนาประเภทนี้เถิดดังนี้และก็นี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สเสวยทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่กุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วจะพึ่งกล่าวว่าเธอจงเข้าถึงทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นการสมควรประเชาา้าข้าปีสุดต้งหลายแต่เพราะในข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้ว สัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เฉยทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอจงเข้าถึงทุกขเวทนาเห็นป่า น, นี้อยู่เถิดพี่สตรงหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบ ไม่ได้ทำให้แจ้งไม่ได้สัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าบุคคลบางคนสเสวยอะทุกขมสุุเวิธนาประเภทนี้อยู่อากูโสรธรรมย่อมเจริญกูโสธรรมย่อมเสื่อมไปเราเมื่อถ้าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้จะพึ่งกล่าวได้หรือว่าเออจงละอะทุกขมัสุุเวิธนาเห็นบาา น, นี้เถิด ข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่สมควรพระเจ้าค่าภิกษุตรนายแต่เพราะข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสได้แล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สเสวยอะทุกขมสุขเขเวทนาประเภทนี้อยู่อากุศลธรรมย่อมเจริญ กุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราจึงกล่าวว่าเธอจงละอาทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้เถิดและในข้อที่ว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้ทำให้แจ้งไม่ได้สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สเสวยอาทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่ อกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญขึ้นเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้ช่พึ่งกล่าวได้หรือว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุกขมัสสุขเวจนาเห็นบานนี้อยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นการสมควรประชจ้าขาพิสุทนาัยแต่เพราะในข้อที่เรารู้แล้ว เห็นแล้วทราบแล้วทําให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าบุคคลบางคนนั้นเมื่อสวยอะทุกขมสุขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอะทุกขมสุขขเวทนาเห็นบ่านนี้อยู่เถิดดังนี้ ภิกษุต้งหลายเราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดจะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาททั้งเราก็ไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทคือภิกษุรเราใดเป็นอราหารรันต์ขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว ลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วมีสังโยชน์ในภบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเราย่อมกลา่าวว่าภิกษุประเภทนี้ไม่ต้องทากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นพระเตุหลายเล่าเพราะภิกษุนั้นได้ทากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้ว และภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทอีกต่อไปส่วนภิกษุเหล่าใดยังเป็นเขะคือยังต้องศึกษายังไม่เป็นพระอาหารหันต์ยังปรารถนาธรรมะที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าภิกษุประเภทนี้จะต้องทำจิตที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท เพราะนั้นพระเหตุหลายเล่าเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของพิสุเหล่านี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านเหล่านี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรครบหากรลอาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งการประพฤติพรมจรรย์ที่เหล่ากลุลบุตร ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบด้วยปัญญาันยิ่งเองเข้าถึงแล้วในปัจจุบันนี้ดังนี้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิษุธประเภทนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทวิสุทธทั้งหลายบุคคลเจตจำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกเจตจำพวกคือ อุพัโตภาควิมุตตบุคคล 2. ปัญญาวิมุตตบุคคล 3. กายาสักขีบุคคล 4. ทิฏฐิปัตตบุคคล 5. สัทธาวิมุตตบุคคล 6. ธรรมานุสารีบุคคลและ 7. สัทานุสารีบุคคลภิกษุตรงไหน ก็อุภาโตภาควิมุตบุคคลนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องมีโมกอันละเอียดคืออรูปสมาบัติล่วงรูปสมบัติด้วยกายูและอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาบุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้อุพาโตภาควิมุตบุคคล เราย่อมกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้นี้เพราะนั้นเพราะเหตุว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทบุคคลผู้นี้นั้นทำสำเร็จแล้วและผู้นั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทปิสุทโธหลายก็ปัญญาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมบัติล่วงรูปสมบัติด้วยกายอยู่แต่อาสะวัตทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาบุคคลประเภทนี้เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติบุคคลเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำโดยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่ภิกษุแม้นี้เพราะว่า คิดที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเธอผู้นี้ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทอีกต่อไปปีสตานายก็กายสกี์บุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคือรูปสมบัติล่วงรูปสมบัติด้วยกา ย, ยู่ และอาศาวะบางเล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาบุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นกายะสกิบุคคลภิกษุตองนายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่ภิกษุนี้เพข้ะนั้นพระเห็นอะไรเล่าเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าฉะนท่านผู้นี้ เมื่อเสพเสนาสนะที่สมควรครบหากัลายาณมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะพึงทำซึ่งที่สุดแห่งประมาจันอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าที่คุรุบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวยเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบต้องการอยู่ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดังนี้เราจึงกล่าวว่า กิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลประเภทนี้พิจารณาไนก็ทิฏฐิปัดบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องมิโมอันละเอียดในอาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นนริยสัต์ด้วยปัญญาอันหนึ่งแต่มาทั้งหลายที่ตาคต ประกาศแล้วเป็นธรรมะอันผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วบุคคลประเภทนี้เรียกว่าเป็นบุคคลที่ติปัดเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลผู้นี้พิสุตนายก็ศรัทธาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดแต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริสัต์ด้วยปัญญาอันหนึง่งความเชื่อในพระตถาคตของผู้นั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอันอย่างลงมั่นแล้วบุคคลประเภทนี้เรียกว่าเป็นสัทธาวิมุตติบุคคลเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่ แกบุคคลประเภทนี้ภิกสุทานายก็ทรรมานุสาวรีบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องบิโมกอันละเอียดแต่อาสวะบางเหล่าของบุคคลนั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญ า, าหนึ่งธรรมมาทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมควรแก่ความเป็นปินิทโดยประมาณ ด้วยปัญญาของผู้นั้นอีประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้คืออินรีคือศรัทธาอินรีคือวิริยะสติสมาธิและปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลประเภทนี้เรียกว่าธรรมะนุสารีบุคคลเรากล่าว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่สำหรับ บุคคลประเภทนี้พิสุตตะหลายก็สัตยานุสารีบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องมิโมกอันละเอียดคื อ, อรูปสมาบัตรล่วงรูปสมาบัติด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอหนึ่งผู้นั้น มีแต่เพียงความเชื่อความรักในพระธถากฏอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นศรัทธานุสาวรีบุคคล ทีสุดทนายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลแม้นี้ข้อนั้นพระเหตุหลายเล่าเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของเธอผู้นี้เช่นนี้ว่าถ้าเชนไหนผู้นี้ถ้าเมื่อเสพเสนาสะนะที่สมควรครบหากัเหยนมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุด ของพรหมจรรยอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ดังนี้เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลประเภทนี้ปีสุดทัหลาย เราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอราตถผลด้วยการกระทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้แต่การตั้งอยู่ในอราตถผลนั้นย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการกระทำโดยลำดับด้วยการปฏิบัติโดยลำดับก็การตั้งอยู่ในอราตผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับ ด้วยการกระทำโดยลำดับด้วยการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสงบลงเมื่อเงี่ยโสงบลงย่อมได้ฟังธรรมรันได้ฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำธรรมนั้นไว้ ก็ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้นั้นเมื่อพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ได้อยู่ฉันทะคือความพอใจย่อมเกิดเมื่อเกิดฉันทะแล้วย่อมมีความอุสาหะครั้นอุสาหะแล้วย่อมไตรตรอง ครั้นไตรตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่อย่างนี้ย่อมทำให้แจ้งซึ่งปรมัตตสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้พิสุจทลายศรัทธาก็ดีการเข้าไปใกล้ก็ดีการนั่งใกล้ก็ดีการเงี่ยสดลงก็ดีการฟังธรรมะก็ดี การทรงจำธรรมะไว้ได้ก็ดีการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนั้นก็ดีการที่ธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ก็ดีฉันทักคือความพอใจก็ดีอุสาหะ ก, ก็ดีความตรายตรองก็ดีการตั้งความเพียรก็ดีนั้นๆไม่ได้มีแล้วอยู่เพียงไรเธอเหล่านั้นก็ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดอย่างนั้น โมระบุษเหล่านั้นก็ได้หลีกไปจากทรรมิไหนนี้ไกลเพียงนั้นนั่นแหละพิกษุทั้งหลายบท4อันยืนยันได้ที่เรายกขึ้นแสดงแล้วอันวินยูชนจะบึงรู้เนื้อความได้ด้วยปัญญาไม่นานเลยนั้นมีอยู่เราจะแสดงแก่พวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะรู้ตัวถึงเนื้อความแห่งบทสี่ อันยืนยันได้ที่เรายกขึ้นแสดงแล้วนั้นข่าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหนเป็นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและพวกไหนจะเป็นผู้รู้ด้วถึงธรรมะได้พระเจ้าข่าพิกษตตทั้งหลายศาสดาใดเป็นผู้หนักในอา m i ต h รับมรดกแต่ส่วนที่เป็นอา m i ต h คล้องอยู่กับอา m i ต h แม้ศาสดานั้นย่อมไม่มีคุณสมบัติ เหมือนดั่งของตลาดซึ่งมีราคาขึ้นขึ้นลงๆเห็นบ่านนี้ว่าก็เมื่อเหตุอย่างนี้พึงมีแกเราเราพึงทำเหตุนั้นก็เมื่อเหตุอย่างนี้ไม่พึงมีแกเราเราไม่พึงทำเหตุนั้นดังนี้พิสุตนายก็ทำไมเล่าตถาคตจึงไม่ค้องด้วยอามิตรโดยประกาศทั้งปวงอยู่พิสุตนายสภาพนี้ ย่อมมีแกสาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วปฏิบัติด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาพวกเราเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้เราไม่รู้คำสอนของพระศาสดาย่อมงอกงามมีรสชาติแกสาวกผู้มีศรัทธา ผู้ยังลงในคําสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติตามสภาพนี้ย่อมมีแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคําสอนของพระศาสดาแล้วประพฤต์โดยตั้งใจว่าหนังเอ็นกระดูกของเราจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสริระจะเหอนแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุ ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียร น, นี้เสียเป็นไม่มีเลยพิสูจน์ลายผลสองอย่างคืออรัตผลในปัจจุบันหรือถ้าเมื่อ ย, ยังมีเชื่อเหลืออยู่ก็ยังคงมีความเป็นอนาคามียอย่างใดอย่างหนึ่งอันสาวกผู้มีศรัทธา ผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติตามพึงหวังได้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วพิสุดเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาศิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดันางนี้แหละกีตะคิริสูตรจบฟังทำคำพุทธะ